วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดเป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมมาสร้างพระกัน เพราะวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะมาสร้างพระกันพระที่พรทเจ้าทรงสอนให้สร้างนี้ไม่ใช่เทไม่ใช่พระพุทธรูปต่างๆพระพุทธรูปนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัวของพระพุทธเจ้าก็คือ พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วคือสวากขาโตูปะวตาธรรมและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะทําให้เราได้พบกับพระพุทธเจ้าดังที่ทรงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธรูปนี้เป็นเพียงแต่รูปรูปเหมือนแต่ไม่ใช่เป็นตัวจริงของพระพุทธเจ้าตัวจริงของพระพุทธเจ้าคือพระนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจของผู้ปฏิบัติก็จะกลายเป็นพระขึ้นมา พระในใจนี้ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เราได้สร้างพระในระดับต่างๆ ต, ตามกำลังความสามารถของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราสร้างพระนี้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 ศึกษาของผู้ปฏิบัติที่จะสร้างกันขึ้นมาโดยที่เราจะสร้างจากง่ายไปหายากพระในระดับที่หนึ่งที่เราจะสร้างกันได้ได้ง่ายก็คือพระระดับเทพระ ระดับที่สองที่เราจะสร้างกันก็คือพระระดับพรหมพระพรมมและพระระดับสามก็คือพระอริยบุคคลนี่คือพระต่างๆผู้ประเสริฐที่จะเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใจของท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญ แต่หลังจากที่ได้ปฏิบัติละการกระทาบาปสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าก็เคลื่อนจากระดับปุถุชนระดับมนุษย์ขึ้นไปสู่เทพจากเทพก็ไปสู่ระดับพรหมและจากระดับพรหมก็ไปสู่พระอริยบุคคล เป็นพระอาหารหันต์ั ม, มาสมุทธเจ้าในที่สุดนี่แหละคือพระแท้พระแท้นี้อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติทุกคนผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรต่อธรรมผู้นั้นย่อมได้รับ <c oughs> ผลของการปฏิบัติคือจะได้เป็นพระในระดับต่างๆ ถาระดับแรกนี้เกิดจากการกระทําอะไรบ้างก็เกิดจากการละการกระทําบาปทั้งปวงและการทําบุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมนี่คือสองข้อแรกในคําสอนที่พระเจ้าส่งสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้กระทํากันเบื้องต้นให้ละการกระทําบาปทั้งปวง บาปนี้ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีและการพูดปดและการดื่มสลายาเมารวมไปถึงการเสพอบายามุกอื่นๆความจริงการดื่มสลายนี้ถือว่าเป็นอบายามุกยังไม่ถือว่าเป็นบาปโดยตรงแต่การดื่มสรายนี้ จะทำให้การกระทำบาปนี้ง่ายขึ้นหรือจะเป็นเหตุที่พาให้ไปกระทำบาปก็ได้เพราะว่าเวลาดื่มของมึนเมาแล้วใจก็จะไม่มีสติยับยั้งความคิดที่ไม่ดีต่างๆที่อาจจะผุดขึ้นมาได้และเมื่อไม่มีสติยับยั้งความคิดที่จะคิดไปทำร้ายผู้อื่น เช่นไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเทนีไปพูดปดใจก็จะทำบาปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไม่ดื่มสรายาเมามีสติคอยดูแลการกระทำของตนอยู่เวลาที่ใจคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางทำบาป ก็จะสามารถยับยั้งได้เพราะมีสติไม่มืนเมาพระพุทธเจ้าเลยต้องรั้อบายามุกเช่นการดื่มสุรายาเมาไว้ในข้อของการกระทำบาปด้วยคืออบายามุกนี้เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปได้ง่ายขึ้นอบายนี้แปลว่าที่ไปอยู่ที่ ที่ไปของผู้ที่ได้ทําบาปหรือสภาพจิตใจที่ได้กลายสภาพจากมนุษย์ไปสู่อบายสี่ระดับด้วยกันได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรก mm hmm. อบายนี้อาบา ย, ยมุกก็คือทางเข้าทางเข้าอบาย mm hmm. มุกแปลว่าประตูหือทางเข้า ผู้ที่เสบอบายามุกก็เท่ากับเป็นผู้ที่ไปยืนอยู่ทางที่ปากทางเข้าอบายนั่นเองเมื่ออยู่ใกล้ปากทางเข้าอบายโอกาสที่จะเข้าอบายก็จะเข้าไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทางเข้าอบายคือผู้ที่ไม่ได้เสบอบายามุกโอกาสที่จะไปทำบาบนี้ก็จะยากกว่า ผูทบบาา้ที่เสพบาบายามุกผู้ที่เสพบาบายามุกนี้พอเสพแล้วก็จะมีเหตุที่จะผลัก ด, ดันให้ไปทําบาปต่อไปเช่นการดื่มสุรายาเมาเช่นเวลาดื่มสุราแล้วก็เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีโผล่ขึ้นมาก็จะระบายออกมาด้วยวาจาหรือด้วยการกระทํา อันนี้เป็นเหตุที่จะให้ไปทำบาปได้ง่ายคนที่มึนเมาแล้วมักจะเป็นคนที่ อ, อันตรายไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้พอรู้ว่าเขาจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้ไม่ควบคุมไม่สามารถควบคุมการพูดการกระทำของเขาได้เวลาที่เขาเกิดอาการมึนเมาแล้ววาจามักจะหยาบคาย พูจาคา ไ, ไ, ไม่สุภาพต่างๆและการกระทำก็มักจะไปทำให้เกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมาบางคนเดือเชราแนละ้วเมาก็ขับรถไปขับรถเมื่อไม่มีสติคอยควบคุมรถยนต์เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะหยุดรถหรือควบคุมรถให้ อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยได้ก็<ม>จะไปเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดการเสียทรัพย์สินและเสียชีวิตของตนและของผู้อื่นได้<ม>อบายามุกนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันนอกจากการดื่มสวราแล้ว<ม>การเล่นการพนันก็เป็นอบายามุกอีกอย่างหนึง่งการเที่ยว การเที่ยวเตจจนติดเป็นนิสัยนี่ก็เป็นเป็นอบายเป็นเป็นอบายามุขแล้วก็การการมีความเกลียดคร้านก็เป็นอบายามุขและการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรอันนี้ก็เป็นอบายามุขเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปคบคนที่เขาชอบเดื่มสุรายามเมา เขาก็จะชวนเราไปเด่นสราญเมาถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะถ้าเขาชอบความเกียดคร้านเขาก็จะชวนเราไปให้มีความเกียดคร้านกับเขาอบาลยมุกนี้การกระทํำนี้ไม่มีไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย แล้วพอจ่ายไปมากๆเข้าต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้พอเวลาเงินทองไม่พอใช้ <c oughs> ก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริตด้วยวิธีการทำบาป <c oughs> เช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวง <c oughs> เพื่อที่จะได้ทรัพย์จากผู้อื่นมาเป็นต้นหรือไม่บางครั้งก็อาจจะไปถึงกับการไปปล้นไปจี้ เพื่อที่จะได้เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาแล้วถ้าหากมีการต่อสู้ขัดขืนก็จะมีการฆ่ากันได้นั่นเองนี่คือผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปขึ้นได้ง่ายเพราะเมื่อขาดเงินขาดทองแล้วก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็วนั่นเอง เราคงจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆคนที่ถูกจับเวลาไปปล้นร้านทองนี้พอเขาสอบถามว่าไปปล้นทำไมก็บอกว่าไปเอาเงินมาใช้หนี้หนี้การพนันเรื่องการพนันเราก็ติดหนี้เขาถ้าไม่มีเงินไปใช้หนี้ก็จะถูกเขาทำร้ายได้นี่แหละคือเรื่องของอบายามุก มีแต่การสูญเสียทรั พ, พยากรสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายแล้วถ้าใช้บ่อยๆทําทําบ่อยๆเงินทองก็จะร่อยหลอลงไปจนถึงไม่สามารถที่ไม่มีพอที่จะใช้ใช้ได้เมื่อขาดเงินขาดทองก็จําเป็นที่จะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตเพราะว่า ถ้าชอบอบายยมุกแล้วมังจะไม่ไปทํางานทําการนั่นเองยาเวลาไปให้กับการเสพอ บ, บายยมุขพระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามการเสพอ บ, บายามุขควบคู่ไปกับการกระทําบาปถ้าไม่อยากจะต้องไปรับโทษจากการกระทําบาปโทษของการกระทําบาปก็คือการลดฐานะ ของจิตใจจากมนุษย์ให้ลงไปสู่เป็นสู่เดรัจฉานสู่เปรตสู่อสูรกายและสู่นรกผู้ที่ทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปเช่นทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพเพราะคิดว่าเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ผิดกฎแห่งกรรมเพราะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานเขาก็เลี้ยงชีพด้วยการทำบาปสัตว์เขาก็อยู่ด้วยการฆ่ากัน อยู่ฆ่า ก, กันกินกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยฉันใดมนุษย์ที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ตเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานพอตายไปใจก็เลยต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภใจก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยใจที่มีแต่ความทุกข์กับความหิวโหวย อยู่ตลอดเวลาดวงวิญญาณที่มีความหิวโหยนี่เราก็เรียกว่าเปรตส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกผู้อื่นเขามาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเช่นสัตว์ต่างๆที่อาจจะหลงเข้ามาในบ้านสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ที่เป็นมแมลงสัตว์กัดต่อย เราไม่ต้องการให้เขามาทำร้ายเราเราก็เลยป้องกันด้วยการไปทำร้ายเขาก่อนเรียกว่าทำบาปด้วยความกลัวตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาลวผู้ที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกนรกก็คือ จิตใจที่มีความรุ่มเราะรุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นสังเกตดูเวลาที่เราโกรธใครเกลียดใครอาฆาตพยาบาทใครนี้เราจะมีความรู้สึกกินไม่ได้นอนไห ม, หอม่หลับอยากจะล้างแค้นถ้ายังไม่ได้ล้างแค้นนี่ใจมันจะไม่สงบนั่นคือสภาพของใจของผู้ที่ทําบาลด้วยการอาฆาตพยาบาท เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปสู่นรกนี่คือสภาพที่พพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่เป็นสภาพที่น่ า, นาจะไปอยู่ไปเป็นกันถ้าไม่อยากจะอยู่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์นะก็ให้รักษาศีล5ให้ดีอย่าไปเสพใบมุขอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปดโกหกหลอกลวง แล้วเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ใจเราตกต่ำไม่ยังรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้อยู่ได้แล้วถ้าเราอยากจะย ก, กระดับจิตใจของเราให้สูงกว่าการเป็นมนุษย์เราก็จะทำได้ง่ายเพราะเมื่อเราเป็นมนุษย์ขั้นต่อไปที่เราจะทำให้เราขึ้นไปสู่ขั้นสูง ความความเป็นมนุษย์ก็คือท่านขั้นเป็นเทพเป็นเทวดาการที่จะยกประดับจิตให้ขึ้นไปเป็นเทวดานั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการทําบุญทํากุศลต่างๆนั่นเองทําบุญทําทานทําคุณทําประโยชน์ทําความดีต่างๆช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนร่วมร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดราชาดูแลกันให้ความสุขต่อกัน อันนี้ก็จะกยกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพนั้นการโดยสรุปการที่จะสร้างพระเทพขึ้นมาในใจนี้ก็คือจำเป็นที่จะต้องไม่กระทำบาป ท, ทั้งปวงไม่เสพใบายามุกแล้วก็ต้องหมั่นทำบุญทำทานให้เป็นปกตินิสัยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ที่เหลือกินเหลือใช้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาเงินที่ส่วนเกินนี้เอามาเปลี่ยนเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าเพราะบุญกุศลนี้จะแปลงจิตใจจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทวดาเป็นเทพขึ้นมาเป็นพระขึ้นมาเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็จะได้ไปเกิดในสุคติ ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆตามอำนาจของบุญที่ได้กระทำไว้ทํามากทําน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงต่ำต่างกันไปทําบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่าําทําบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสวรรค์ชั้นต่ำก็มีความสุขน้อยกว่าสวรรค์ชั้นสูงนี่คือการ ทำใจของเราให้เป็นพระขึ้นมาในระดับในระดับที่หนึ่งก็คือให้เป็นเทพเป็นพระเทพด้วยการรักษาศีลห้าด้วยการทําบุญทําทานการทําบุญทําทานนี้เราสามารถทําได้กับทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกอถ้าเราต้องการที่จะทําให้ใจเราเป็นเทพขึ้นมาทํากับ คนธรรมดาก็ได้ทำกับพระก็ได้หรือทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้เหมือนกันได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปทำกับพระเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญถ้าเงินที่เราไปทำนี้มันเท่ากันเช่นเงินร้อยบาทไปใส่บาตรถ้าเงิน1้อยบาทนี้ไปปล่อยนกปล่อยปลาเราก็จะได้บุญเท่ากัน คือได้ความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์ของเราไปการที่มีการสอนบอกให้เลือกทำบุญกับบุคคลนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำหรับถ้าเราต้องการธรรมะจากบุคคลที่เราไปทาบุญด้วยเราก็ต้องเลือกคนที่มีธรรมะคนที่มีธรรมะมากๆก็คือพระพุทธเจ้า ทำบุญกับพระพุทธเจ้านี้ก็จะได้ธรรมะได้คำสอนอันประเสริฐที่จะมาสอนให้เรารู้จักวิธียกระดับจิตใจของเราให้เป็นพระขึ้นมาในระดับต่างๆกันได้ลองลงจากพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์จากพระอรหันต์ลงมาก็คือพระอนาคามีจากพระอนาคามีก็พระสกิดาคามีพระโสดาบัน ท่านเหล่านี้เป็นพระอริยบุคคลที่มีธรรมะมากน้อยตามลําดับลดกันตามมา mm hmm. ตามกับพระอริยบุคคลก็พระที่มีสมาธิสามารถเข้าฌานในระดับต่างๆได้ mm hmm. ท่านก็จะสอนวิธีเข้าฌานให้กับเราถ้าเราไปทําบุญกับท่าน mm hmm. ล, ลองลงมาจากพระที่ได้สมาธิก็คือพระที่มีศีลบริสุทธิ mm ์ hmm. ไปทำบุญกับพระที่มีศีลบริสุทธิ์ท่านก็จะสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์อันนี้คือระดับของธรรมะที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยถ้าเราทําบุญแล้วเราจอยากจะได้ทั้งบุญคือความสุขใจอิ่มใจได้ยกระดับจิตใจของเราให้เป็นเทพเรายังอยากจะได้ธรรมะได้ความรู้เพื่อที่เราจะได้เอามาพัฒนาจิตใจ ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็ต้องไปทําบุญกับพระที่มีธรรมะ น, นี่คือทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการทําบุญนี้มีประโยชน์สองประการด้วยกันป ร, ประการแรกคือการประโยชน์ที่เราได้รับจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราไปช่วยเหลือผู้ ให้ความสุขแก่ผู้หรือบรรเทาความทุกข์ยากเกิดร้อนให้ของผู้อืนี้เราจะได้บุญบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันที่จะทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจและจะทําให้เราได้ไปสู่สุขติทําให้เราได้เป็นเทพตามลำดับต่อไปอันนี้ทากับใครก็ได้เหมือนกันหมดทํากับพระพุทธเจ้าทากับพระธรรมดาทากับ ญาติโยมทากับสัตว์เบราจฉานบุญอันนี้เราได้เท่ากันหมดได้เหมือนกันหมดแต่บุญที่เราจะได้จากการได้ได้รับธรรมะนี้จะต่างกันไปแล้วแต่ว่าผู้ที่มีธรรมานั้นท่านมีธรรมะระดับไหนท่านก็จะสอนธรรมะในระดับนั้นให้กับเราได้ น, นี่คือประโยชน์อีกอย่างหนึง่งอันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่กระทาว่า เวลาทำบุญนี้ต้องการจะได้ประโยชน์กี่อย่างกันถ้าอยากจะได้อย่างเดียวก็อยากจะได้ความสุขใจ่มใจสบายใจอยากทําให้ใจเป็นเทพขึ้นมาเป็นพระ ข, ขึ้นมาก็ทําให้กับใครก็ได้ใครทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้ให้ความสุขกับเขาได้อันนี้ก็จะได้บุญได้ทําให้ใจเป็นเทพขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะได้ ธรรมะคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นต่อไปสูงกว่าการเป็นเทพคือการไปสู่การเป็นพระพรหมการไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางไปนั่นเองถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ธรรมะ เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะสร้างพระที่สูงกว่าพระที่เป็นพระชั้นเทพและเราจะไม่รู้จักวิธีสร้างพระพรหมขึ้นมาในใจของเราเราจะไม่รู้จักสร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาภายในใจของเราถ้าเราไม่มีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะได้ธรรมะระดับสูงกว่าระดับเทพคือระดับ ือถ้าเราอยากจะได้พระในระดับที่สูงกว่าพระในระดับเทพเราก็ต้องไปศึกษาวิธีที่จะสร้างจิตใจของเราให้เป็นพระในระดับพรหมการจะเป็นพระระดับพรมนี้ได้นี้ต้องรู้จักวิธีฝึกสมาธิรู้จักวิธีฝึกสติรู้จักวิธีทำให้ใจสงบเข้าสู่ในระดับฌานขั้นต่างๆได้ นั่งสมาธิแล้วจิตรวมเป็นฌานเป็นรูปฌานเป็นอารูปฌปานการที่จะสามารถยกระดับจิตจากการเป็นเทศไปสู่การเป็นพรหมนี้จาเป็นที่จะต้องมีคนสอนต้องมีคนรู้จักวิธีถ้าไม่รู้จักวิธีก็จะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนคนที่ไม่เคยทากับข้าว ถ้าอยากจะทำกับข้าวก็ต้องไปเรีย น, เ ร, ยนรเรียนรู้วิธีการทำกับข้าวจากคนที่เขารู้เมื่อไปเรียนแล้วต่อไปก็จะได้รู้จักวิธีทำกับข้าวได้ช<ม>ั้นใดถ้าอยากจะยกระดับจิตใจสร้างพระระดับที่สูงกว่าพระระดับเทพคือพระระดับพรห ม, มก็จำเป็นที่จะต้องทำจิตใจให้สงบ ให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบของฌานขั้นต่างๆได้จิตใจก็จะได้เป็นพระพรหมในระดับต่างๆดังนั้นถ้าอยากจะไปเป็นพระพรหมอยากจะสร้างพระในระดับพระพรหมขึ้นมาในใจก็ต้องศึกษาวิธีที่จะทำให้เป็นขึ้นมา ก็อยู่ในธรรมข้อที่สามที่พระเจ้าทรงสอนสองข้อแรกก็ให้เป็นเทพด้วยการละการกระทําบาปทําบุญทํากุศลต่างๆให้ถึงพร้อมอันนี้ก็จะได้เป็นเทพขึ้นมาถ้าอยากให้เป็นพรหมก็ต้องทําข้อที่สามต่อข้อที่สามก็คือให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชําระจิตใจให้บริสุทธิ์นี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกัน บริสุทธิ์แบบชั่วคราวกับบริสุดแบบถาวรเพราะบริสุดแบบชั่วคราวนี้เราก็เรียกว่าขั้นสมถะ ภ, ภาวนา<ม>คือการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิเพื่อที่จะทำให้ใจสงบขณะที่ใจสงบกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้ใจไม่สะอาดไม่บอิสุดก็จะระงับ สงบตัวลงไปชั่วคราวตอนนั้นใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์แบบชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแล้วถ้าอยากจะให้ได้ความบริสุทธิ์ความสะอาดแบบถาวรก็ต้องปฏิบัติการชำระจิตในระดับที่สองก็คือระดับวิปัสสนาภาวนาก็คือการระดับของปัญญา ต้องเรียนรู้ศึกษาธรรมะ ร, ร, รู้เรื่องของปัญญาคือรู้เรื่องของอริยสัจสี่รู้เรื่องของไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาถ้ามีปัญญาเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ก็จะสามารถที่จะกำจัดชั่มะกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรได้ใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะ ขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลระดับสมาธินี้ก็เป็นระดับของพรหมระดับของปัญญานี้ก็จะเป็นระดับของพระอริยบุคคลท่านสูงสุดก็คือเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้านี่คืออยู่ในธรรมะข้อที่สามที่พรุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราปฏิบัติกันก็คือให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ ก็แบ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นที่หนึ่งขั้นของสมาธิหรือขั้นของสมถภ า, ภาวนา <c oughs> ขั้นที่สองก็คือขั้นของปัญญาหรือขั้นของวิวปัสสนาภาวนา <c oughs> ขั้นนั้นถ้าอยากจะยกระดับจากเทพขึ้นไปสู่พรหม <c oughs> ก็ต้องไปทำชำราจิตใจขั้นที่หนึ่งด้วยการฝึกสมาธิกัน การที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือสนับสนุนสองอย่างด้วยกันเครื่องมืออันแรกก็คือต้องมีศีลต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นจากศีลห้าต้องเพิ่มเป็นศีลแปดเพราะว่าศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ง่ายแต่ถ้ามีศีลแปดแล้วนี่ จะทำให้การเข้าสู่สมาธินี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการถือศีลแปนี้จะทำให้มีเวลาให้กับการฝึกสมาธิได้มากขึ้นนั่นเองเพราะเหตุใดก็เพราะว่าศีลแปะจะห้ามไม่ให้ไปทํากิจกรรมทางกามอารมทางกามคุณห้าก็คือทางรูปเสียงกลิ่นรสคือไม่ให้ไป หาความสุขจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเพราะถ้าไปเอาเวลาไปเสบกับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการทำใจให้สงบทำใจให้เข้าสู่สมาธิได้นั่นเองก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาเวลาด้วยการกําจัดะเวลาที่เอาไปใช้กับการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลด เช่นศะีลข้อสามจากของศีลห้าที่ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนอกจากสามีภรรยาของต น, นก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเลยเพราะการร่วมหลับนอนกันก็จะต้องเสียเวลาไปหลายชั่วโมงนะวเวลาที่จะเอามาฝึกสตินั่งสมาธิก็จะไม่มีแต่ถ้าไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับใครนี้ก็จะสามารถมีเวลาปฏิบัติได้ในยาม พยายามขามคืนได้หลายชั่วโมงถึงเวลาที่จะนอน mm hmm. ข้อนี้ก็คือสินสินข้อสามของสินแปดก็คืออ布拉มจริยาเวรมณีไหละเว้นจากการร่วมเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสามีของตนภรรยาของตนหรือไม่ไม่ให้ทํากิจกรรมเหล่านี้ mm hmm. เพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธินั่นเอง น, นี่คือข้อข้อข้อสามเป็นเป็นการเอาเวลาของการไปหาความสุขจากการเสพกามาคุณห้ามาให้กับการมาปฏิบัติสมาธิกันแล้วก็ศีลข้อหกก็ไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วร่างกายนี้ไม่ต้องการอาหารมากเกนความต้องรับประทานเวลาครั้งสองครั้งนี้ก็พอเพียงต่อการอยู่ได้ของร่างกาย แต่ถ้าปล่อยให้รับประทานตามความอยากแล้วรับประทานกี่ครั้งก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยากจะรับประทานอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อรับประทานแล้วก็จะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติแต่นี่จะเวลาไปปฏิบัติก็เอาเวลามาให้กับการรับประทานแล้วก็รับประทานไปมากๆแล้วก็จะทำให้เกิดความเกลียดทานไม่อยากไม่อยากจะปฏิบัติไม่อยากจะนั่งสมาธิ อยากจะนอนมากกว่าเวลากินอิ่มแล้วก็อยากจะนอนแล้วถ้าเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งแบบสบงบพอเวลากินอาหารอิ่ ม, มแล้วร่างกายมันจะง่วงนอนเป็นธรรมดาเะฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากการการง่วงเหงาหงานอนและการความเกียดคร้านในการปฏิบัติและเอาเวลาของการไปรับประทานอาหารมาให้กับการปฏิบัติสมาธิ ก็ต้องถือศีลข้อหกนี้คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอจะเลือกเอารับประทานหนึ่งครั้งก็ได้หรือสองครั้งก็ได้แต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วอันนี้ก็เป็นวิวธีกาจัด ก, การเอาเวลาไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนั่นเอง อย่าไปหาคาวคามสุขจากการเสพวางการมาคุณเพราะมันเป็นคาวามสุขแบบยากมันสู้คาวคามสุขที่จะได้จากการทำใจให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้เป็นคาวามสุขที่ละเอียดและเป็นคาวามสุขที่มีน้ำหนักมีพลังมากกว่าคาวามสุขที่ได้จากการเสกเลืกเสียงกลิ่นรัดปุตตะพะถ้าเราอยากจะยกระดับจิตจากเทพไปเป็นพรหมเราก็ต้องยุติพฤติกรรมของของเทพ เทพนี้ยังเสพกรามอยู่พวกเทวดานี้ยังเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่แต่พร้อมนี้เขาไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเขาจะเสพความสุขที่ได้จากความสงบของฌานขั้นต่างๆการที่จะเข้าฌานได้ก็ต้องมีเวลาเราก็ต้องมารักษาศีลข้อที่เจ็ดเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็คือต้องไม่ เสไม่ต้องไม่ไม่หาความสุขจากการดูมหรสลพบรรเทิงต่างๆไม่ดูไม่ฟังพวกบรรเทิงพวกมหรสลพไม่ไปเที่ยวตามสถานบรรเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงไม่ไปอะไรต่างๆไม่เข้าสังคมพูด ง, ง่ายๆให้ไปอยู่ที่สงบไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเพื่อที่จะได้ ทำใจให้สงบได้ง่ายแล้วก็ไม่ให้เสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าผ่อนที่วิจิตพิสดารหรือด้วยเสริมความด้วยน้ำมันน้ำหอมด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆเพราะความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวๆเราจะเอาเวลาของการไปทไปทำสมาธิไป ถ้าอยากจะมีเวลาให้กับการทำสมาธิก็อย่าไปเสียเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวแบบง่ายๆ เ, เรียบเรียบง่ายใส่ชุดขาวหวีผ้าหวีผมก็พออาบ น, น้าหับท่าแล้วก็หวีผ้าหวีผมไม่ต้องใช้เครื่องสมาหเราไม่ได้ไปเข้าสังคมเราไม่ได้ไปที่ไหนเราจะไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่จะทำใจให้สงบให้เข้าสมาธิกันแล้ว ข้อสุดท้ายข้อ8ก็คือเอาเวลาจากการนอนมากเกินไปธรรมดาร่างกายนี้ถ้าพักผ่อนหลับนอนเวนลาสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแต่ถ้านอนบนเตียงที่สบายมีฟูกหนาะๆนอนหลับแล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วใจยังไม่อยากจะลุกใจยังอยากจะนอนต่อ ก็จะเสียเวลาให้กับการนอนเพิ่มขึ้นไปอีกโดยไม่จําเป็นถ้านอนท่านจะนอนแบบที่ไม่นอนนานก็คือนอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นก็ได้ปูผ้าปูเสื่อก็พอเพราะว่าเวลาที่นอนแล้วร่างเวลาร่างกายง่วงนอนนี่นอนบนบนพื้นไหนก็ได้พอได้พักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาแล้วถ้านอนมันพื้นแข็งๆนี่มันนอนไม่สบายใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อใจก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิได้ น, นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่จะต้องการสร้างเทพสร้างพระในระดับชั้นพรหมขึ้นมานี้จำเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลแปเป็นอย่างน้อยศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองรอยิบเจ็นี้เป็นวิธีที่จะ ป้องกันไม่ให้กิเลสมาลากใจให้ไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจะหมดมิ้ น, นกาย น, <ม><ม>นี่คือสิ่งที่จาเป็นที่จะต้องมีสำหรับผู้ที่จะต้องการยกระดับสร้างพระในระดับพรหมขึ้นมาต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่าง ห่างไกลจากโลภเสียงกิิ่นรสถ้าเราปฏิบัติที่บ้านนี้มันจะลาบากเพราะจะมีของยั่วโยนโวนใจอยู่รอบด้านเดีเออ๋ยวคนนั้นก็จะร้องเพลงร้องนํำทำเพลงคนนั้นก็จะดูหนังออคนนั้นก็จะกินอาหารเย็นกันออพอเห็นเขาทำแนละ้วเราก็จะอดไม่ได้ใจก็จะทนไม่ไหวออออต้องไปอยู่ที่ที่ไม่มีสิ่งยั่วโยนโกนใจเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆ วัดปฏิบัตินี้จะทุกคนที่อยู่ในวัดนี้จะต้องถือศีลแปดกันขึ้นไปแล้วก็จะไม่มีกิจกรรมทางรูปเสียงกิรนสพุพธะมีแต่กิจกรรมเพื่อที่จะให้เกิดเกิดมีสติเพื่อที่ให้เกิดสมาธิขึ้นมาบางวัดก็มีการให้มีเวลาให้เข้าโบสถ์กันเช้าเย็นเข้าโบสถ์เพื่อไหว้พระสาสมนุ์การไหว้พระสาสมนุ์ก็เป็นการฝึกสติเจริญสติแล้ว ส่วนเสร็จแล้วก็ให้นั่งสมาธิต่อองวัดก็เป็นแบบที่ให้ปฏิบัติตามลําพังไม่ต้องเข้ามารวมกันให้ปฏิบัติที่พักได้โดยตลอดเวลาจะได้มีการปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องสําหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติแบบเข้มข้นก็ไปปีกวิเวกไปปฏิบัติต า, าบบมลําพังแต่สำหรับผู้ที่ยังปฏิบัติตามลําพังไม่ได้ก็มาฝึกปฏิบัติรวมกันก่อน มาตามเวลานัดหมายที่ทางวัดได้กําหนดไว้เช่นตอนเช้าก็ให้เข้าโบสมาไหว้พระสวดมนมานั่งสมาธิกันตอนเย็นก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีการฟังเทศน์ฟังธรรมควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เกิดปัญญาต่อไปอันนี้คือคือกิจกรรมที่เราจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อที่เราจะได้มาสร้างพระในระดับ ท่านพมขึ้นมาต้องมีการรักษาศีลแล้วก็ต้องไปมีที่ที่สงบสงัดแล้วสิ่งที่ต้องมี ท, ที่จำเป็นที่สุดที่สมคัญที่สุดก็คือการฝึกสติ <Yeah. S 2> ถ้ายังไม่มีสตินี้ไปนั่งสมาธินี้ใจจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่ได้ใจจะไม่สงบนั่งแล้วจะรู้สึกอึดอัด <Yeah. S 2> รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ หรือไม่เช่นนั้นก็รู้สึกฟุ้งซ่านนั่งแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไม่หยุดการที่เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เราต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราต้องฝึกสติทั้งวันทั้งคืนเลยตลอดเวลาที่เราเตื่นขึ้นมานี้ไม่ควรที่จะปล่อยให้ใจไม่มีสติคอยควบคุ ม, มเราต้องฝึกควบคุมใจด้วยการใช้กรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นเครื่อง เครื่องมือที่จะทําให้เรามีสติควบคุมใจกรรมฐานก็มีหลายอย่างด้วยกันเช่นพุทธานุสติอาณาปณะสติกายะตาสติเป็นต้นคือให้เราเลิกลุ้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็เลิกลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นเลิกลึกคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจเรา ใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่สามารถไปอดีตไม่สามารถไปอนาคตได้ใจเราก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันใจเราก็จะไม่ไม่คิดปรุงแต่งจะสักแต่ว่ารู้แต่ถ้าเราไม่มีพุทโธพุทโธนี้ใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ก็มีเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็มี แล้วแต่อยากจะคิดเรื่องอะไรก็มันก็จะคิดของมันไปเรื่อยๆอย่างถ้าไม่มีการควบคุมใจไว้ก่อนไม่ให้คิดนี้เวลามานั่งสมาธิมันก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดเวลานั่งเฉยๆไปสักระยะหนึ่งเพราะความคิดมันจะมีความอยากตามมาด้วยความอยากจะไปท ำ, น, น, ทำนู่นทำนี่อยากจะไปไปตรงนั้นอยากจะมาตรงนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พอต้องนั่งอยู่เฉยๆขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมา ถ้าท่านมีการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หน่อยก็จะรู้สึกจะทนไม่ไหวเพราะนี่คือปัญหาของการไม่ได้ฝึกสติมาก่อนที่จะมานั่งสมาธินั่นเองถ้าอยากจะนั่งสมาธิได้ผลนั่งได้นานจําเป็นที่จะต้องฝึกสติไว้ก่อนก่อนที่จะมานั่งท่านสอนให้เราฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้มีสติคอยควบคุมความคิด ถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเราอยากจะทําแบบพิสดารก็ท่องบทอิติปิสโสไปก็ได้อิติปิสโสภะกวาอลาหังสำมาขึ้น อ, อยู่กับความเหมาะสมความพอใจแต่ถ้าใช้พุทโธนี้มันจะสะดวกกว่าในระหว่างที่เราไปทําอะไรต่างๆพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องลุกขึ้นมาขณะที่เราลุกเราก็ต้องมีพุทโธคอยกํากับละ ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีพุโทโธคอยกำกับขณะที่เราไปทํากิจต่างๆเราก็ต้องมีพุโทโธคอยกำกับเพื่อไม่ให้ใจไปที่อื่นให้ใจอยู่กับกิจที่เรากําลังทําอยู่ถ้าเรากําลังเดินก็ให้เราใจเราก็จะอยู่ัการเดินได้ไม่ใช่เดินไปแล้วเราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าแบบไม่มีสติถ้ามีสติแล้วใจจะต้องอยู่กับ การกระทาของร่างกายในทุพเริยบทควบคู่ไปกับการมีคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั้นต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยและทุกขณะเวลาเราทำอะไรก็ให้มีพุโทโธกายกรากับหรือถ้าเราจะไม่ใช้พุโทโธก็ให้ใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเดียวก็ได้ เช่นร่างกายกำลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันให้รู้อยู่กับการที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อย่าสนใจไปอดีตอย่าสนใจไปอนาคตให้ใจอยู่กับกิจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันกิจของร่างกายกาลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหาร กำลังทำอะไรก็ให้อยู่การที่เราทำอยู่ถ้าเรามีการควบคุมใจแบบนี้ด้วยสติแล้วเวลามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายให้ใจดูลมหายใจเขาออกใจก็จะดูลมหายใจเขาออกได้ใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธินี้จำเป็นจะต้องมีอะไรให้ทำอย่านั่งเฉย ถ้านั่งเฉยๆแล้วบางทีเดี๋ยวใจจะปรุงแต่งหลอกเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้ปรุงแต่งให้มีภาพมีเสียงมีอะไรต่างๆแล้วก็หลอกเราว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาได้ซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นความคิดปรุงแต่งของใจปรุงไปเองคิดไปเองแค่นั้นเองการนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการดูอะไรต้องการที่จะทําทใจให้นิ่งให้สงบเพื่อให้เกิดความสุข ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะว่าถ้าใจเรามีความสุขแล้วเราใจก็จะได้ตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มาคอยดึงใจให้ไปไปวุ่นวายไปหาความทุกข์อยู่ตลอดเวลาได้เป้าหมายของการปฏิบัตินี้ก็เพื่อชำระกิเลสหยุดความโลภความโกรธความหลงต่างๆการที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ใจต้องมีความ มีความสุขในตัวมีความอิ่มในตัวถ้าใจมีความสุขมีความอิ่มในตัวแล้วความความโลกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขมันก็จะไม่มีเพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาชนิดต่างๆความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาในใจเราคือสร้างความสงบของพรหมนี่สมาธินี้คือความสงบความสุขของพรหมถ้าใจเข้าสู่สมาธิได้ใจก็จะเป็นพรหมเป็นพระพรหมขึ้นมาแล้วก็จะมีความอิ่มมีความสุขจะไม่หิวโหยกับความสุข ข, ของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ เเวลาโผลขึ้นมามันก็จะไม่สามารถที่จะมาะมาดึงใจให้ไปหาความสุขทางอื่นได้ถ้ามีปัญญามาช่วยคอยช่วยคอยสอนคอยบอกให้เห็นว่าการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันจะนำความทุกข์มาให้ต่อไปงนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องการทำใจให้สงบเป็นสมาธิ ถ้าใจสงบเป็นสมาธิแล้วใจก็จะเป็นพระในระดับพร ม, มแต่ความสงบความสุขที่ได้จากสมาธินี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะว่าใจจะไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลา<ม>พออยู่ได้ชักระยะหนึ่งกำลังของสติที่ส่งใจให้เข้าไปอยู่ในสมาธิก็จะอ่อนลง อ, อ่อนลงก็จะเกิดความคิดปุงแต่งขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความอยากจะลุกขึ้นมาม ว่ า, ะา จ, จะต้องมีภาระต้องทำเกี่ยวกับร่างกายร่างกายก็ยังต้องเลี้ยงดูต้องมีการบำบัดความทุกข์ต่างๆของร่างกาย<ม>ก็จะอยู่ในสมาธิไม่ได้ตลอดเวลาพ อ, อ, อจากสมาธิมาก็ต้องรักษาความสงบต่อไปด้วยการเจริญสติต่อไปอ ย, อย่าออกมาโดยที่ไม่มีสติค อ, คอยควบคุมพอออกมาจากสมาธิก็ใช้พุทโธต่อไป เดื๋วคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายต่อไปนี่คือขั้นระดับของการฝึกสมาธิทำสมาธิเราต้องพยายามรักษาคว า, ามสงบของใจให้ได้มากที่สุดทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสติจำเป็นจะต้องมีสติตลอดเวลาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปในสมาธิจนถึงเข้าไปในสมาธิ และพอออกจากสมาธิมาก็ต้องมีส ต, ติต่อไปเรื่อยๆก่อนทำอย่างนี้ให้ชํานานก่อนจนสามารถที่จะรักษาใจให้สงบได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิก็ตามสามารถควบคุมใจให้อยู่ให้มีความสุขให้มีความสงบได้ถึงแม้อาจจะมีช่องว่างบางครัง้งบางคราวอาจจะเป็นการพลั้งเผลอขาดตอนไปอันนี้ก็ ต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาแก้ต่อไปด้วยด้วยการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งคือระดับปัญญา<ม>เพราะว่าเวลาที่ออกจากสมาธิมาเวลาที่มีความพังเผลอสตินี้กิเลสตัณหาความโลภความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้แล้วถ้าไม่มีการวิธีป้องกันด้วยการปราบปานก็อาจจะถูกกิเลสตัณหาลากให้ไปหาความสุขจาก รูปเสียงกิิ่นรสผดผะได้อยู่วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ใจไปหาความสุขจากรูปเสียงกิิ่นรสผดผะหลังจากที่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการทําตามความโลภความอยากนี้เป็นการสร้างความไม่สบายให้กับใจเพราะใจที่อยู่ในความสงบนี้จะเย็นจะสบาย พเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมานใจจะกระเพิ่มใจจะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีจะรู้สึกวุ่นวายขึ้นมาทันที น, นี่ให้เห็นโทษว่าความโลภความอยากนี้เป็นตัวที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับเราและวิธีที่จะทำให้ความโลภความอยากหายไปนอกจากเห็นว่ามันเป็นโทษแล้วเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่มันอยากได้เช่นความสุขจากรลเสียงกิรสนี้ มันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องหมดไปได้เช่นเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ได้ความสุขจากการไปเที่ยวพอเรากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็หายไปหมดมันก็จะทาให้เรารู้สึกเหงาว้าเหเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวแล้วถ้าเราอยากจะไปแล้วไม่ได้ไปนี่มันยิ่งจะทาให้เรารู้สึกเศร้าใหญ่ รู้สึกปวดเหงา่อลำทาญใจเพิ่มขึ้นมาอีกดังนั้นจึงสอนให้ต้องเอาปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาความโลภความอยากต้องการนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ให้ความไม่ไม่ได้ให้ความสุขได้อย่างถาวรเป็นความสุขแบบชั่วค้ังชั่วคราวพอหมดไปมันก็จะทำให้ใจเหงาใจว้าเหว่ขึ้นมาทาให้ใจเศร้าหมองขึ้นมาได้ ดังนั้นถ้าเห็นว่ามันจะเป็นทุกข์ตามมาต่อไปใจก็จะสามารถหยุดความโลภความอยากต่างๆได้สู้อยู่กับความสงบไม่ได้ความสงบก็เกิดจากการทําใจให้ไม่มีความโลภความอยากนั่นเองตอนต้นเราก็ใช้ทําใจให้สงบด้วยการใช้สติควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งพอเราไม่คิดปรุงแต่งความโลภความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ ใจก็จะสงบใจก็จะเย็นมีความสุขของสมาธิแต่เวลาออกมาจากสมาธิแล้วพอมีความคิดตุงแต่งขึ้นมาก็มักจะมีความโลภความอยากขึ้นตามขึ้นมาและวิธีที่จะทำให้กำจัดความโลภความอยากได้ก็ต้องใช้อริยาาสัจสีใช้ใจรักนี่องสอนให้เห็นว่าความโลภความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจขิวทาให้ใจอยากความทให้ใจไม่อิ่มไม่พอ แล้วการที่ไปทําตามความโลภความอยากก็จะไม่ได้ความอิ่มความพอแบบทาวนได้ความอิ่มความพอแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ปล่อยให้ใจอ้างว้างเป่าเปลี่ยวเดียวดายทาให้ใจเศร้าหมองต่อไปอันนี้คือการใช้ปัญญาให้เห็นโทษของความอยากของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆไม่ว่าจะโลภในรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีโลภในลาภยศทรัพย์แสนก็ดี แรือแม้แต่ลบจากการที่เราได้สมาธิก็ดีแม้แต่สมาธิก็ต้องเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเหมือนกันเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องไม่ไปติดในสมาธิไม่ไปอยากได้สมาธิเพราะความอยากได้สมาธิจะทำให้ใจไม่สงบได้ถ้าเราเห็นโทษของสิ่งต่างๆว่าเห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตา เราก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปใจของเราก็จะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาจากขั้นขั้นเป็นพระพรหมการได้สมาธินี้เท่ากับการได้ได้ทำใจให้เป็นพระพรหมแล้วการที่ใช้ปัญญาระงับดับกิเลสตัณหาชนิดต่างๆก็จะทำให้เราได้ทำให้ใจได้เป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขัน้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ตามลําดับของการกําจัดกิเลสตัณหาชนิดต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจ mm. พอใจได้ใช้ปัญญาระงับกิเลสตัณหาใจก็จะได้เป็นพระอริยบุคคล mm. เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนน า, าคามีและก็พระอาหารหันต์พอได้ขั้นพระอาหารหันต์ก็คือได้กําจัด ที่เลืตัณหาด้วยปัญญาให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานก็คือใจที่มีแต่บำล ม, มสุขเป็นความสุขที่ถาวรยั่งยืนไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขของพระนิพพานนี้เป็นเป็นแบบนิจจังสุขขังอนัตตาเป็นความสุขที่จะอยู่ไปตลอดอยู่กับเราอยู่กับใจไปตลอดเป็นของใจไปตลอด ไม่มีพไม่มีการพัดพากจากใจไปนี่ก็คือเรื่องของการมาสร้างพระในใจที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามากระทำกันในวันพระวันพระนี้แปลว่าการสร้างพระให้กับใจของเราอย่าไปหลงกับการสร้างพระพุทธรูปต่างๆสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นพระที่แท้จริงเป็นเพียงเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง พระที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกคนถ้าจะเกิดพระที่แท้จริงขึ้นมาได้ก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ส อ, สอนให้เราละการกระทําบาปสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราทำสองข้อนี้ได้เราก็จะสร้างพระในระดับระดับชั้นเทพขึ้นมาในใจของเราแล้วถ้าเรากําจัดชำระจิตใจให้สงบสให้สะอาดบริสุด ขั้นที่หนึ่งด้วยการใช้สมาธิเราก็จะได้ได้ได้พระชั้นพรมขึ้นมาแล้วถ้าเราทำใจชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในขั้นปัญญาได้เราก็จะได้ขั้นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันจนไปถึงขั้นพระอรหันต์ตามลาดับของการปฏิบัตินี่ก็คือเรื่องราวของบันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยาถาวารวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตจินนางเปตานางอุปกาปติอิทีิตังปัที่ตังตุมหังคิดระเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนะราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิติวิวาจันตุสัพพโรควินาศตุมาเตภวตวันตารายุสุขิทิขายุโกภา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 วิทยุออนไลน์เจ็ดคลับเฮา์หกนาุดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ารวมทั้งหมดเก้าร้อยเก้าสิบแปดท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชทถามได้นะคำถามจากทาง i n b บ x ค่ะ เวลาที่เรานั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วจิตไปคิดถึงคำสอนของพระอาจารย์ซ้ำๆปรากฏขึ้นมาเพราะว่าฟังเยอะฟังทั้งวันควรทำอย่างไรเจ้าคะไม่ต้องสนใจให้อยู่กับการดูลมไปเรื่อยอันนี้เป็นเพราะว่าเรามีสติน้อยอยังควบคุมสติให้อยู่กับลมไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกสติมาล่วงน้าก่อนพอมานั่งดูลมมันก็เลยดูได้ไม่ เราก็มีความคิดอย่งอางอื่นใส่กเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ต้องไม่ไปสนใจกับความคิดอย่างอื่นให้จดจ่ออยู่กับการดูลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะถอยออกไปคำถามจากทาง YouTube ดกรค่ะคนที่ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์เมื่อหมดบุญเขาจะต้องลงมาใช้วิบากกรรมที่นรกไหมคะหรือว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยสาธุเจ้าคะ เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเพราะบาปที่ทำไว้มันยังไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงไปอาบายได้ตอนที่เรามาเป็นมนุษย์นั้นเป็นช่วงที่บาปกับบุญในใจเรามีกำลังพอๆกันมันก็เลยดึงให้อยู่ในสวรรค์ไม่ได้แต่ก็ดึงให้ไปอาบายไม่ได้ก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์เพื่อมาทำบุญทาบาปเพิ่มเติ ม, ต, มต่อไป คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะหนูอายุ26ปีแต่มีกัยาณมิตรเป็นรุ่นคุณแม่หนูหลายคนยังคงพูดถึงเรื่องของกามและในหลายคนลูกค้าหนูอายุ 45-60 ปียังคงติดในเรื่องของกามบ่อยครั้งจะมาพูดระบายกับหนูบางคนเป็นภรรยาน้อยหนูควรใช้ธรรมะแบบไหนสอนเขาคะ ไม่ควรสอนก็เลยถ้าเขาไม่มาขอให้เราสอนเดี๋ยวก็จหาว่าเราเสือกค่ะคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะมีสองข้อค่ะข้อแรกการไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเป็นบางโอกาสในช่วงวันหยุดจัดเป็นอบายมุขไหมครับถ้าเป็นนานๆครั้งก็ถือว่าเป็นการไประบายไปผ่อนคลาย อารมณ์แต่ถ้าไม่ไปได้ก็ดีแต่ถ้ายังต้องไปอยู่ก็อย่าให้มันไปมันจนเป็นติดเป็นนิสัยทำให้เสียงานเสียการเสียการทำหน้าที่ต่างๆไปก็แล้วกันคำถามข้อที่สองค่ะขอคำแนะนำในการปฏิบัติธรรมของบัวเหล่าที่สามที่ยังต้องทำงานส่งลูกได้แต่รักษาศีลห้าถึงแปดทำทานเจริญสติยากมากที่จะทาใจให้สงบเป็นสมาธิครับ ก่อย่างที่เราก็ต้องยอมรับสถานภาพของเราว่าเรายัางไม่พร้อมที่จะไปสู่ระดับที่สูงกว่านี้ได้เราก็พยายามรักษาระดับที่เราสามารถทำได้ไปพังๆก่อนอย่าปล่อยให้มันลงต่ำไปก่อนนั้นอย่างน้อยก็อย่าไปทำบาปอย่าไปเสพปบายอย่ามุกอันนี้เป็นเรื่องสาคัญส่วนเรื่องบุญกุศลก็ทำไปตามกำลังของเราเท่าที่เราจะสามารถทาได้ ตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะจากคุณชาญยุทธมีสามคำถามค่ะข้อแรกฟังเทศหลวงตามหาบัวตอนที่ท่านเล่า ว, ว่าท่านติดสมาธิหลวงปู่มั่นบอกหลวงตามหาบัวว่าสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันคำว่าสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันหมายความว่ายอย่างไรครับ ก็มันเล็กน้อยเ น, เนื้อติดฟันมันก็เนื้อชิ้นเล็กๆไม่เหมือนกับเนื้อก้อนใหญ่ๆที่อยู่ในจานความสุขที่จะได้จากปัญญานี้มันเหมือนเป็นเนื้อเหมือนเนื้อก้อนใหญ่แต่ความสุขที่ได้จากสมาธินี่เป็นเหมือนเนื้อติดฟันมันเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่จะได้รับจากปัญญาเพราะว่าความสุขจากปัญญานี้มันจะยั่งยืนถาวรส่วนความสุขที่ได้จากสมาธิ น, น, าานี้มันจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราว ในขณะที่เราเข้าสมาธิแต่ปัญญานี้สามารถทำให้ใจเราสงบได้ทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิหรือไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าเรามีปัญญาเราสามารถกำจัดเหตุที่มาทำให้ใจเราไม่สงบได้ mm. ก็คือความอยากต่างๆนั่นเอง ข้อที่สองตอนตัดอวิชชาเราเป็นคนบังคับให้ตัดหรือว่าจิตเขาตัดเองครับเราก็จิตก็ตัวเดียวกันน่ะที่เราปฏิบัตินี่ก็เราเป็นผู้ปฏิบัติเลาจะเรียกว่าจิตเป็นผู้ปฏิบัติก็ได้เพราะจิตกับเรานี่ก็เป็นตัวเดียวกันในที่สุดมันก็จะไปพบว่ามันก็มีแต่จิตตัวเดียวเท่านั้นนะ่ะเราไม่มีเราเป็นสมมติที่จิตสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ตัวจริงก็คือตัวจิตนี่ ผู้กระทำต่างๆก็คือจิตจิตทําแล้วผู้ที่รับผลของการกระทําต่างๆก็คือจิตเช่นเดียวกันส่วนเราเขานี่เป็นเรื่องสมมุติที่เราสมมุติกันขึ้นมาเหมือนกับการเล่นละครข้อที่สจิตที่อยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เป็นไปได้ไหมครับที่จะมีจิตดวงไหนที่ไม่เคยเป็นเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานก็คือยู่ที่กรรมที่ทําบาปที่กรรมนี้ บาปต่างแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะไม่ไม่ทํำบาปด้วยความความหลงเลยก็มีหรือหรืออาจจะมีก็ได้แม้แต่พระ เ, เจ้าก็เป็นสัตว์โดยราชาเมา ก, ก่อนนะั้นโอกาสที่จะไม่เป็นนี่คงจะยากเพราะว่าเราไม่รู้กันไงว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบาปหร ไ, ไม่เป็นบาปโดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องเอาตัวรอดเนี่ยต้องเอาตัวเรารอดจากภัยต่างๆเราก็ต้องคิดถึง ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก่อนแล้วก็คิดว่าการรักษาตัวรอดนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติที่ต้องทำกันทุกคนคำถามจากทางเฟซบุกค่ะข้อที่หนึ่ง mm hmm. เคยบวชชีอุทิศบุญให้บุพการีนั่งสมาธิเนสัศชิกฟันละ ฟังหลวงพ่อลูกศิษย์องค์หลวงตาเทศในวันพระใหญ่ได้ยินเสียงดังกังวานคนเดียวได้กลิ่นหอมคนเดียวลืมตาออกจากนั่งสมาธิมาก็ยังได้กลิ่นได้ยินเสียงตอนบวชชีได้ไปวัดป่าบ้านตาดวันพระทำวัดเย็นได้กลิ่นหอมดอกบัวหอมฟุ้งแรงจนแสบโพรงจมูกทั้งหมดนี้คือพระบรารมีพระเมตตาของอริยสง์หรือเทวดามาอนุโมทนาสาธุหรือบุพ การีมารับบุญอนุโมทนาสาธุคะหรือถูกทุกข้อเลยคะมันมเป็นเรื่องของเจตของเราทั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนอนะื่นเรื่องของบุญของบาปเรื่องเรื่องของการกระทำของเราที่ทำให้เกิดผลต่างๆงเหล่านี้ขึ้นมาข้อสองค่ะวันพระใหญ่ใกล้วันครบรอบ บุพการีจากโลกไปครบรอบหลายปีมาแล้วปีนี้ฝันเห็นบุพการียิ้มและมีพระอรหันต์หน้าเหมือนพระอรหันต์หลายองค์หน้าคล้ายกันแต่แม่แน่ใจว่าเหมือนองค์ไหนสายหลวงปู่ ม, มา่านหลวงตามหาบัวท่านใส่แว่นหน้าตาหน้าเลื่อมใสายเปี่ยมบารมีข้างๆท่านมีงานใบตองประดิษฐ์ขนาดใหญ่ ท่านเมตตาสอนธรรมะอนัตตาว่าพอเอาไปลอยน้ําทุกอย่างก็กระจายดุดลอยน้ําไปทั้งหมดที่ฝันช่วงดังกล่าวลักษณะดังกล่าวคือบุพการีสบายดีในสุขติภูมิไหมค้าปฏิบัติกุศลปฏิบัติธรรมให้บุพการีตลอดทุกครั้งค่ะและเพออรหันท่านเมตตาชี้อุบายพิจารณาขั้นสูงใช้หมค้า ก็ให้เราดูตามความเป็นจริงของความฝันก็แล้วกันฝันว่าอย่างไรก็รู้ตามความฝันนั้นอย่าไปอย่าไปปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่างเดียวก็พอจะเป็นอะไรก็ไม่สำคัญอยู่ที่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากสิ่งที่เราเห็นในฝันหรือไม่อันไหนที่เป็นประโยชน์เอามาทำให้เกิดประโยชน์กับเราได้เราก็เอามาใช้มัน ถ้าไหนมันไม่เป็นประโยชน์หรเราไม่รู้จักใช้มันก็ปล่อยมันไปอย่าบัอย่าเอาอมาแบกให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาั้ตาไปทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคำถามจากผู้รับฟังนากาุดค่ะลูกอยากทราบว่าลูกปฏิบัตนาถูกทางมรรคผลนิพพานไหมค ะ, ะไม่บอกปฏิบัติ ย, ยังไงแล้วจะไปรู้ได้งไงล่ะ การทำทานรักษาศีลภาวนาก็ถูกทางทาบุญทำทานรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วก็ภาวนาฝึกสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกทางคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะกับเรียนพระอาจารย์มักเป็นเหตุหรือผลครับอ๋อมักเป็นเหตุมักคือการกระทำเช่นการปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาเนี้เป็นเป็นมรรคพอได้ศีลสมาธิปัญญาก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ได้ได้ผลต่างๆได้โสภาโสดาปฏิผลได้สกิดาคามีผลได้อนาคามีผลได้อล า, าตตผลเกิดจากการเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญาของขั้นต่างๆคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ ดื่มเหล้าเป็นแค่อบายมุกหมายถึงถ้าดื่มเหล้าแล้วไม่ทำบาปอื่นไม่บาปใช่ไหมครับยังไม่บาปถ้าดื่มเหล้าแล้วก็ไปนอนหลับนี้ไม่บาปแต่มันจะเป็ น, ม, น, ปนมันจะเป็นการติดกัน้นการไปนิพพานเพราะเวลาเมาแล้วไปปฏิบัติไม่ได้ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มันก็จะขวางกัน้นทางไปสู่พระนิพพานคนที่ติดเหล้าแล้วก็จะ ไม่สามารถไปบวชได้ไปปฏิบัติธรรมได้แต่ไม่บาปยังไม่ได้ไปทำร้ายผู้คําถามจากทางเฟซค่ะสวดมนต์ขณะนั่งสมาธิได้ไหมครับเมื่อไหร่ควรหยุดสวดครับก็าขอยู่ที่ว่าเราสามารถดูลมหายใจได้หรือยัง mm hmm. เช่นตอนตอน้นนอนนั่งดูลมล้วใจมันฟุ้งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้การสวดมนต์ระงับความฟุ้งไว้ก่อน พอสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วความคิดปรุงแต่งความฟุ้งต่างๆค่อยหายไปใจพอที่จะมีสติมีความสงบที่จะ ด, ดูลมหายใจได้เราก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปคำถามจากผู้รับฟังนากรุค่ะมีการทำพิธีกรษดเส้นบนฝ่ามือแล้วเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นพิธีอย่างนี้คืออะไรเจ้าคะต้องไปถามคนทาเลย ทางศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้ศาสนาสอนเรื่องกรรมการกระทมทางกายวาจาใจทำบุญทำบาปนอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมตามมาของจิตใจคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะคำถามแรกสุขทางโลกกับสุขทางธรรมต่างกันยังไงคะถ้าเป็นความสุขชั่วครู่ทั้งสองอย่าง อ๋ความสุขทางธรรมนี้มันยาวกว่านานกว่ามันติดไปกับใจต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ความสุขทางโลกนี้พอร่างกายตายไปก็จบ <c oughs> แลมบางทียังไม่ทันตายมันก็จบไปแล้วมันเชื่อแค่เหมือนควันไฟแต่ความสุขทางธรรมถึงแม้ว่าจะยังจะหมดไปแต่มันติดไปกับใจถ้ายังอยู่ในระดับที่เสื่อมได้ <c oughs> ก็คือระดับของอปุถุชนระดับของ ของศีลของสมาธินี่ยังเสื่อมได้แต่ถ้าเข้าสู่ระดับของปัญญาแล้วมันจะไม่เสื่อมมันจะอยู่ ย, ยั่งยืนอยู่ติดไปกับใจตลอดไม่มีวันสิ้นสุดคําถามข้อที่สองค่ะถ้าฟังทําแล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจนิดหน่อยคิดตามไม่ทันค่ะนึกภาพตามไม่ออกควรฟังต่อหรือหยุดตั้งสติใหม่คะก็ฟังไปเรื่อยๆ ทำอันนี้ครั้งนี้เราฟังแล้วอาจจะเข้าใจเพียงบางส่วนพอคราวหน้าเรากลับมาฟังใหม่แล้วก็จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆหรื อ, รอบางทีเวลาที่เราฟังบางทีสติเราเผลอเราไม่ได้ไปฟังเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่วงนั้นเราก็จะไม่เข้าใจว่าเรากําลังฟังอะไรอยู่ดันั้นการทำทำซ้ำๆบ่อยๆนี้ไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างใดสามารถฟังได้เรื่อยๆเรื่อยๆ เมื่อคำถามจากคุณชาญยุทธค่ะถามต่อจากเมื่อกี้นะครับเรากับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วเพราะความคิดถึงแล้วเพราะอะไรความคิดถึงขัดแย้งกันเหมือนกับคนสองคนครับเพราะมันมีสองฝ่ายไงฝ่ายธรรมกับฝ่ายกิเลสฝ่ายดีกับฝ่ายเชื่อมันจะขัดแย้งกันบางทีก็อยากจะทําดีแต่ฝ่ายกิเลสก็บอกอย่าไปทําดีเลยไปกินเหล้าดีกว่า ให้วันนี้ให้มาฟังเทศฟังธรรมอย่ามาเลยไปเที่ยวดีกว่ามันก็เป็นเรื่องของกิเลสกับธรรมน้องตามหาบัวบอกว่าธรรมะกับกิเลสนี่เป็นคู่ต่อสู้กันเป็นสองฝักสองฝ่ายกันฝ่ายใดชนะฝ่ายถ้ากิเลสชนะใจก็ทุกข์ร้อนถ้าธรรมชนะใจก็เย็นสบายคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ อยากทราบว่าลูกหลานที่บวชให้พ่อแม่ที่ว่าลูกบวชให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่จะไม่ตกนรกนั้นเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่ครับคือถ้าบวชแล้วเวลาลูกบวชนี้พ่อแม่ก็ต้องมาวัดเนี่ยมาเยี่ยมลูกพอมาเยี่ยมลูกก็จะมาทําบุญทําทานมารักษาศีลก็จะไม่ตกนรกนแต่ถ้าบวชแล้วทิ้งลูกไว้ตัดหางปล่อยวัดพ่อก็ไปกินเหล้าเมา ย, ยาไปทําบาปเหมือนเดิมพ่อว่ายังตกนรกได้อยู่ ที่เวลาลูกมาบวชนี่มันทำพ่อแม่มีความผูกพันกับลูกไงก็คิดถึงลูกก็ต้องมาเยี่ยมลูกเมื่อมาเยี่ยมลูกที่วัดก็ต้องทําตามที่วัดเขาสอนวัดเขาสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลวัดสอนให้ทําบุญก็ทําบุญอย่างนี้ก็จะช่วยดึงให้ออกจากอบายได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่มาดูแลไม่ติดตามไม่มาสนใจพ่อเคยเที่ยวเคยกินเหล้าเคยทํำบาปอยู่ก็ทําเหมือนเดิมนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ คำถามสักท่านเดิมนะคะถามต่อว่าการหนีลูกเมียไปบวชจะถือว่าเป็นบวชจะถือว่าเป็นบุญมากไหมครับก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบุญไหมล่ะการห น, นีไปบวชได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาช่วยลูกเมียให้ไปไปไ ป, ไปนิพพานด้วยกันนี่มันเสียหายทางไหนัไม่เสียหายเหมนคนทีอ่อยู่ในที่ที่มีปัญหา แล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องรีบหนีไปหาหาคนมาช่วยแล้วพอได้คนมาช่วยก็กลับมาช่วยคนที่อยู่ที่บ้านที่ติดติดอยู่ในปัญหาช่วยให้เข้าหมดปัญหาได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการการกระทําที่ไม่ดีมันเป็นการกระทําที่ดีอย่างพระเจ้านี้ก็ทรงตัดสินว่าถ้ายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จะไปช่วยคนอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรพระองค์ก็เลยต้องไปไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อน พอหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็กลับมาช่วยคนที่ยังมีความทุกข์อยู่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะการฝึกการฝึกสติในชีวิตประจําวันที่บ้านที่ทํางานที่ถูกต้องควรทําอย่างไรครับก็ให้อยู่กับงานที่เราทําแล้วก็ไม่ให้คิดเท่าที่เท่าที่เราจะทําได้ แต่ถ้าเราทำงานนี้ถึงแม้จะมีสติอยู่กับงานแต่เรายังต้องคิดอยู่เราก็จะได้สติแบบครึ่งเดียวคือได้สติแบบแบบมีความคิดแต่ถ้าเราไม่ทำงานเช่นเราไปอยู่สถานที่ปฏิบัติตามนำพังนี้เราจะสามารถได้สติเต็มร้อยคือได้ได้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ได้หยุดความคิดไปในตัวด้วย คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะในคนหนึ่งมีจิตมีดวงจิตกี่ดวงคะจิตไม่ดวงเดียวแต่เปลี่ยน อ, อารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็สดชื่นแบบบานบางทีก็ผ่องใสบางทีก็เศร้าหมองบางทีก็โกรธบางทีก็เกลียดบางทีก็เสียใจบางทีก็รักก็จิต ด, ดวงเดียวกันนี่แหละที่มีอารมณ์ที่แปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆคำถามสักผู้รับฟังหน้ากุดค่ะ อาหารของธาตุอาหารของธาตุทั้งสี่คืออะไรคะธาตุทั้งสี่ไม่มีอาหารตัวธาตุทั้งสี่นี่แหละเป็นอาหารที่มาสร้างร่างกายให้มีอาการสารสิบสองธาตุสี่ ต, ต้องมารวมตัวกันถึงจะมีอาการสารสิบสองได้เราจึงต้องหายเอาธาตุลมเข้าไปด้วยการหายใจอยู่ตลอดเวลาเอาธาตุน้ําเข้าไปด้วยการดื่มน้ําตลอดเวลาเอาธาตุดินด้วยการรับประทานอาหารเข้าไป เอา่าตไฟจากความร้อนของแสงอาทิตย์นี่พอมันเข้ามารวมตัวในร่างกายแล้วมันก็จะผลิตเป็นอาการ32ทำให้ผมยาวขึ้นเล็บยาวขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มาจากธาตุสีคำถามจากทางยูทูปพระยูทูปด e อกเตอร์ค่ะลักษณะปัญญาเป็นอย่างไรคะคือเห็นอริยสัจสีเห็นว่าทุกความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเรา อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามความอยากของเราเราก็ทุกข์ใจขึ้นมามแล้วถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไปเราก็ต้องเห็นความจริงว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มถ้าอยากให้เขาเป็นส้มมันก็จะทุกข์เพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้าเห็นว่าเขาเป็นกล้วยเขาต้องเปลี่ยนเขาห้เป็นส้มไม่ได้ก็เปลี่ยนใจอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญา ร, รู้ว่าทุกใจเกิดจากความอยากแล้วรู้วิธีดับความทุกข์ใจต้องดับด้วยการเปลี่ยนใจเปลี่ยนความอยากอย่าไปอยากในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเรานั่งสมาธิแล้ว เ, เกิดความสงบว่างไม่รู้สึกถึงลมหายใจแต่รับรู้ถึงกายที่เคลื่อนไหวแบบนี้ควรทำสมาธิต่อไปอย่างไรคะไหนอ่านใหม่ที เวลานั่งสมาธิเราสงบไม่รู้สึกไม่รู้สึกถึงลมหายใจคะ่ะแต่ยังรับรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวแบบนี้ควรทาสมาธิต่อไปอย่างไรคะยังไม่สงบเหรอถ้าสงบร่างกายยังไม่เคลื่อนไหวร่างกายยังนิ่งใจถ้าใจนิ่งแล้วร่างกายก็ต้องนิ่งทีถ่ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวก็แสดงว่าใจยังไม่สงบเพราะผู้ที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็คือใจนั่นเอง อย่างนั้นก็ต้องทำสมาธิต่อไปดู ล, ลมต่อไปหรือพูดโทต่อไปข อ, ขออนุญาตค่ะถ้าคนที่เขาถามเขาหมายถึงเหมือนพองยุบอะไรอย่างนี้ค่ะก็ะก็ยังก็ยังไม่สงบถ้าสงบแล้วมันจะทุกอย่างจะหายไปหมดเหลือแต่ความว่างอยู่ในอยู่ในใจใจจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ นั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งถือว่าถูกหลักปฏิบัติไหมครับถูกต้องเพราะการนั่งสมาธิไม่ให้จิตนิ่งสงบเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้เกิดปัญญาไม่ได้ไม่ได้ให้ใหเห็นนรกเห็นสวรรค์ให้อยู่กับความนิ่งสงบเพราะเป็นความสุขที่เหนียวกว่าความสุขทั้งปวงคำถามจากทาง You Tube พระอาจารย์สุชาติค่ะมีปัญญาแล้วมีความสุขแล้วจะเบื่อโลกไหมครับ คือเบื่อแบบไม่ทุกข์เบื่อแบบไม่อยากเบื่อแบบรู้ว่ามันมีมันไม่มีสาระมันมันมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆแต่ไม่ได้เบื่อแบบทุกไม่ได้เบื่อแบบอยากจะไปฆ่าตัวตายอย่างนั้ไม่ได้เบื่อแบบนั้นแต่เบื่อแบบไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วทางโลกเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเป็นไปอย่างนั้นโลกเขาก็เหมือนละครน้ําเน่าเพยแต่ไม่อยากจะดูมันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายความจะอยู่กับมันไม่ได้ ไม่ยังต้องอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ว่ามันไปได้เพียงแต่ว่าใจไม่ไปทุกข์กับมันคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาฟังธรรมตลอดทุกวันปฏิบัติรู้สึกตัวรู้ลมหายใจฝึกแบบนี้มาหลายปีก่อนหน้านี้เคยสวดมนต์มากแต่ปัจจุบันได้ไม่ได้สวดมนต์เหมือนเมื่อก่อนจิตชอบ การปฏิบัติดูตัวเองสมาธิยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวมากขึ้นถ้าไม่สวดมนต์แบบนี้ผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกการสวดมนต์ก็เป็นการฝึก ส, สติอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่อาจจะผิดก็คือถ้าไม่ได้นั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิด้วยนั่งให้มากมากด้วยเพราะผลสุดยอดของของความสุขของความสงบอยู่ที่การนั่งสมาธิการเดินการยืนการ ทำอะไรด้วยการมีสตินี้ยังไม่ทําให้จิตสงบได้เต็มที่ถ้าอยากจะให้จิตสงบเต็มที่เต็มร้อยได้ความสุขเต็มร้อยก็ต้องนั่งสมาธิต้องนั่งเฉยเฉยยังไม่มีคำถามค่ะก็พอดีกับเวลากลา็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ